รายการธรรมสุตตะขอเชิญฟังธรรม ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ โดยเฉพาะหมู่ภยญาติทั้งหลายเพราะว่าจริยาปิดกนั้นพระพุทธเจ้าแสดง นั้นไอ้การที่จะนึกเอ่อเคารพยำเกรงก็ไม่มีพระพุทธเจ้า ปุพพจริยาคุณก็คือจริยาปิฎกเนี่ยนะที่พระองค์ทรงแสดงโดยย่อพอแต่เป็นใจความเนี่ยนะเพื่อให้เกิดศรัทธาในพระตลอด บุญกุศลคุณงามความดีเหล่านี้เป็นเครื่องเกื้อกูลน่ะเป็นเครื่องอุดหนุนสนับสนุนให้อริยมรรคของพระองค์นั้น 10 บารมีก็ ศีลเนกขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาบารมีเหล่านี้ถ้าทําแบบธรรมดาเค้าเรียกว่าบารมีถ้ายิ่งกว่านี้ยิ่งยวดขึ้นไป ตรัสรู้ธรรมเพื่อการตรัสรู้การตรัสรู้ของพระองค์นั้นจึงอย่างที่พระองค์บอกว่าเป็นต้นเนี่ย ถ้าไม่ได้การละเวลาอันสมควรก็บรรลุไม่ได้เน่ ที่สุดของการกระทําทุกอย่างเนี่ยชีวิตแต่ไม่ยอมสละทิ้งกุศลคุณงามความดีเนี่ยกุศลคุณงามความดีที่เรียกๆเรากลุ่มคือ ผู้ที่ให้ทานมากผู้ที่รักษาศีลอย่างดีโดยทั่วๆไปแล้วเป็นยังไงเขาเหล่านั้นก็น้อมไปเพื่อเกิดในพบใหม่เพราะเมื่อเกิดในพบใหม่แห่งศีลทําให้เขาเกิดในสุคติผลแห่งศีลเท่าให้เขามีอายุยืนยาวนานผลแห่งศีล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 เมื่อได้มนุษย์สมบัติได้สวรรค์สมบัติท่านมีอัธยาศัยที่จะออกจากสิ่ง นะเป็นคุกพิเศษขังด้วยเค้าเรียกว่าอะไรนะขังด้วยห้องทองคํามันก็คือ เต็มไปด้วยชาติชราและมรณะเป็นต้นอะไรนะมันก่อนอันหนังสือเรื่องนึงเค้ามีกระเทยเข้าคุกแล้วเพิ่ง มันก็ชีวิตในคุกอันนี้ถ้าหากว่าเรามองแล้วพวกเรา บางคนก็ถูกตีที่หลังบางคนก็ถูกควานท้องบางคนก็ต้องผูกผ้าอกนะฮะหมอคง คุกกันนะจะเป็นหัวหน้าคนคุกหรือจะเป็นอะไรก็ๆนี่เองเพราะฉะนั้น ท่านต้องมองเห็นพบ 3 ว่าคือคุกคือตารางเนี่ยนะแบบเหี้ยมโหดถูกเฆี่ยนถูกตีถูกประหารแล้วประหารเล่า มองเห็นพบสามเหมือนกับคุกกับตารางเห็นพบ 3 เหมือนกับคุกกับตารางถึงจะอยู่ใน สมัยก่อนเนี่ยตายทีหลายๆหมื่นสมัยนี้เนี่ยมันก็ชนิดการตายหมู่อะไรสรุปว่าก็มีการตายเต็มๆผู้คุก นะเนี่ยนี่คือคุกนี่คือตารางใจน้อมไปเพื่อจะออกโดย สมถะและวิปัสสนาสมถะคืออะไรสมถะก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาคือสัมมาทิฏฐิกับ การบวชนี้เป็นครัวเอ่อเป็นคุณเครื่อง นะเป็นเพศที่อยู่ใกล้ต่อความเพียรสมอ่าแก่วิปัสสนาวิปัสสนา การบวชเป็นคุณเครื่องช่วยบ่มศีลบ่มสมถะและวิปัสสนาพันเพศนักบวชวิปัสสนาเป็นอย่าง ทีนี้อ่าเมื่อพระนิพพานเนี่ยนะที่เป็นเนกขัมมะที่สูงสุดอาศัย ตามตามสมควรการและสมัยท่านก็ออกไปรักษาศีลไปบำเพ็ญๆ15 วันทุกๆ15 วันนั้นก็เป็นเนกขัมมะบารมีของพระองค์ท่านทีนี้บางชาติๆชาติโดยมากก็เป็นเนกขัมมะ ในพระพุทธศาสนาหรือจะบวชในลัทธิภายนอกศาสนาแต่การบวชของ 5 สมาบัติ 8 นั้นก็คือการเจริญสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิโดยพื้นฐานมีกรรมสกตาเป็นอย่างดีก็เป็นการอบรมทั้งคุณธรรมเหล่านี้เป็น และท่านขอให้ได้เป็นการ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 ผลแห่งการรักษาศีลทําให้เกิดในมนุษย์สมบัติหรือได้สวรรค์สมบัติๆน้อยๆจะด้วยเหตุผลใดชาติ ยุทธัญชยะเจริยายุทธัญชยวัคที่ 3 ข้อ 21 หน้า 371 พระองค์ตรัสเล่าว่า ก็เห็นหญ้าน้ําค้างก็พร้อมที่จะบวชได้เลยนะก็คน เลยถือเอาอนิจจังเป็นเบื้องหน้าพ่อ 8 เราถวายบังคมพระมารดาและพระ มหาชนพร้อมทั้งชาวนิคมทั้งชาวจังหวัดประนมอัญชลีอ้อนเราพระบิดาก็ตรัสว่าวันนี้เจ้าจงปกครองแผ่นดินอันกว้าง ราวสละราชสมบัติในโดยไม่คิดถึงเลยดินตัดความอะไรตัดความรักญาติสละบริวารชนและยศศักดิ์ทั้งสิ้น เราจะเกลียดพระมารดาจะเกลียดพระมารดาเราจะเกลียดพระบิดาก็หามิได้เราจะเกลียดยศเกลียด ใหญ่แค่ไหนถ้าตรัสรู้ด้วยโสดาปัตติมรรคล่ะยิ่งใหญ่ถึงขนาด ของพระสาวกทั้งหลายก็มีวิชา 3 ปฏิสัมภิทา 4 เป็นต้นถ้าของพระอักขระสาวกล่ะ ค้าประมาณมิได้โลกทั้งเทวโลกเรื่องราวมีอยู่ว่าตรัสรู้มรรคว่านะ ในอุทยชาดกมีเมืองเอ่อเป็นเมืองชื่อ แต่ก็แต่ก็ถือว่าเป็นเมืองที่ชื่อถึงทุกวันนี้แต่ถ้าเป็นเมืองอื่นนารันทานารันทาก็ยัง น่าน่าจะเปลี่ยนมั้ยแต่ว่าตามตามภาษาของเค้านี่เนี่ยพุทธคยาก็ยังเปลี่ยนใช่เอ่ออุรุเวลาเสนานิคมไม่ต้องก็ยัง ตามที่ท่านกล่าวว่าราชบุตรพระราชบุตรเป็นโอรสของพระราชาพระราชามีชื่อว่า ราชาพระราชทานตำแหน่งอุปราชให้พระโอรสนั้นๆวันตามนโยบายดังกล่าวแล้วในหนหลังเช่นกับ 4 แห่งกลางเมืองอีกแห่งนึง พระโพธิสัตว์ขึ้นประทับรถอันประเสริฐแต่เช้า พระองค์ก็ได้ฟังว่านั่นคือหยาดน้ําค้างที่ตกในเวลามีหิมะพระองค์ก็ทรงเพลิดเพลินอยู่ณพระราชอุทยานตอนกลางวันเนี่ยนะก็คือเที่ยวทั้ง พระองค์ได้ทรงสดับว่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นหยาด เช่นกับหยาดน้ําค้างบนยอดเช่นชีวิตดินสี ถึงณรุ่งรางนะอีก 100 ปีข้างหน้าเมืองเราก็อยู่ 160 อีก 100 ปีก็ญาติน้ําค้างแน่นอนนั่นน่ะชื่อญาติน้ําค้างบนยอดก็เหมือนกับอยู่บนยอดหญ้าใช่เดี๋ยวพญามัจจุราชมาก็เหือดแห้งไปพระองค์ว่าเรายังไม่ถูก และมรณะเบียดเบียนควรทูลลาพระมารดาพระบิดาออกบวชพระองค์ก็ทําญาติ จริงๆไม่ใช่เหมือนน่ะมันถูกไฟไหม้จริงๆอะไรไฟ 11 กองแผดเผาอยู่ไฟคือชาติไฟคือชราภัยคือมรณะไฟคือโสกะ 3 เนี่ย เหมือนหยาดน้ําๆชีวิตเนี่ยถูกไฟ 11 กองเผากลุ่มรุมอยู่คิดแล้วว่าเราจะต้อง พระเจ้าคือพ่อนักชนกประทับยืนอยู่ข้างหนึ่ง คือหยาดน้ําค้างบนยอดหญ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราแสวงหาก็คือหาอะไรหาหยาดน้ําค้างนะหา สลายไปมันมองเราถวายบังคมทูลคือเพราะทรงแลดูหยาดน้ําค้างที่ค้างบนยอดไม้เป็น ครั้งมาต้องถูกต้องรัศมีของดวงอาทิตย์ก็เหือดแห้งหายไปด้วยปัญญาจักสุเนี่ยนะทั้ง 16 อรรถ สองอย่างสร้างความสังเวชสร้างความ 2 อย่างเพิ่มพูนไปเรื่อยๆจนได้ตรัสรู้ว่าอย่าง แม้ชีวิตของสัตว์ควบคู่ไปเสมอหลายก็ฉะนั้นมีสภาพแตกสลาย ฟังอย่างงี้เราก็คงพอจะมองเห็นทิศทางของเธอถ้าไม่บรรลุ บทว่าตัญเยวาธิปติงกตวาสังเวคขะมนุภโรหญิงคือพระโพธิสัตว์เอาหยาดน้ําค้างเป็นใหญ่เป็น ประทานก็คือหมายตั้งอยู่ไม่นานสูงที่ๆ บางคนเนี่ยนะสังเวชแล้วก็สังเวชครั้งเดียวก็พอ สังเวชเนี่ยนะปกปิดความสังเวชโดยประการ นะมองยังกับวิมานนะได้อยู่วิมานก็ตอนหลังตายนี่แหละเออตอนตายนี่ นะเห็นดีก็สังเวชเห็นไม่ดีก็สังเวชเห็นน้ําค้างอย่างสังเวชได้จะอ่ะก็มาเดินเหยียบน้ําค้างเนี่ยนะตั้งแต่เกิด ท่านต่อไปเห็นหยาดน้ําค้างเห็นหยาดอะไรก็นึกถึงชีวิตย่อลงมาก็เนี่ยๆคือชีวิตนั้นวิธีคิดนั้น บทว่าปัพพชะมะนุยาจะยาจะหังเราคิดว่าผู้ที่ถูกความเจ็บ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 อริยมรรคมันจะแสวงหาๆได้ๆที่มองเห็นช่องทางทิศทาง พระเที่ยวแสวงหามันก็ต้องอาศัยการบวชมันก็เลยเข้าไปเฝ้าพระมานดล สมัยนั้นชาวแคว้นกาสีมาเพื่อ ค่าแต่พระกุมารอย่าทรงบวชเลยเนี่ยนะจริงๆอ่ะคือๆขอเยอะกว่านี้เยอะเนี่ยนะแต่ ก็ไม่ก็ว่าอะไรนะพนักงานมาลาออกกันนะพนักงานดีๆเนื่องจาก พันธุ์พระองค์ก็เล่าให้พระบิดา ยาตกอยู่ในอำนาจของชราเลยอย่าให้ลูกต้องแก่กว่านี้โอ้ยตอนนี้น่ะมันดีที่สุดแล้วถ้า พรก็เล่าให้ฟังว่าอายุของมนุษย์ พ่อมันรุนแรงมากเพราะความสังเวชเนี่ยนะมันมันมันรุนแรงมากแล้วก็พ่อคูณ มีได้มีพระไทยห่วงใหญ่ในพระประยุรญาตหมู่ใหญ่อันเป็นที่รักจริงๆก็ทําก็ไม่เคยรังเกียจพระญาตเหล่านี้เลยนะปกติก็ใช้ชีวิตด้วยความรักความผูกพันธุ์กันอย่างสุดซึ่งแหละแต่ว่าอความสังเวศใจอันนั้นที่เกิดขึ้นมาเจริญและก็อุปณิสัยความเป็นนักบวชอุปณิสัยที่จะเห็นโทษในวัตะที่สั่งสมมานานทั้งรักทั้งผูกพันุ์อย่างไงก็ช่างเถอะก็เลยสลญาตและราชสมบัติ อิสริยยศอันอูรานบวชแล้วในที่สุดก็บวชจนได้มหาชน อธิบายว่าว่าบทว่าสเนคมาสรัทธกาคือราชบุรุษทั้งปวงพร้อมทั้งชาวนิคมชาว เพราะฉะนั้นรูปจงปกครองแผ่น พระมนดาพระบิดารับสั่งให้ยกสเวตฉัตรแล้วก็ขอร้องแล้วก็แต่งตั้งจริงๆนะจะแต่งตั้งจริงๆขอร้องว่าลูกจงครองราชสมบัติเถิดเมื่อมหาชนพร้อมด้วยพระราชานางสนมชาวนิคมชาวแว่นแคว้นร้องให้คร่ำครวญอย่างน่าสงสารปกตินิสัยอ่อนนะใช่ขอร้องกันขนาดนี้น้ําตาร่วงขณะนี้ก็ใจอ่อนอ่อนอกหวั่นใจเนี่ยนะหมดเรื่องหมดแรงโดยอาการที่ความ ไม่ต้องพูดถึงผู้ที่เห็นก็บอกว่าพูดถึงผู้ที่เห็นเขาบอกว่าไอ้ๆ อะไรนะคนที่คิดเรื่องตายมากๆเขาคิดยังไง มันเกิดเป็นอะไรเฝ้าบ้านให้เกิดเป็นสุนัขหมูหมากาไก่อยู่แถวๆนั้นจะไปอะไรได้เนี่ยนะหรือไม่ต่ำกว่านั้นอีกเกิดเป็นอะไรเป็นมดเป็นไปเกิดเป็นเห็บเป็นเห่าอยู่แถวนั้นจะว่าไงกันนี่ยุ่งเลยงั้นก็เลยสรุปว่าใช่ว่าจากแบบจากวันนั้นตกลง จะเถอะหม่อมมาพูดอย่างงี้ก็มีใครนะลุงเรืองก็กําหนดวัน ไม่ห่วงใหญ่ไม่อาลัยอาวรแต่ก็ทบทวนให้ดีเสมอนะไม่จากวันนี้พรุ่งวัน คนนี่แปลกนะถ้าจากไปทําบุญสร้างคุณงามความดีมันไม่ได้มันมีเหตุนะแต่ตายแล้วก็มันจะไปอ้อนวอนกับใครใช่ ขาดเราแล้วเค้าจะอยู่ไม่ได้เนี่ยนะจริงๆเช่นจักรพรรดิสมบัติๆถ้าท่านอยู่ก็ก็จะได้เป็น <c oughs> เพราะทุกคนเนี่ยเป็นที่รักเป็นๆนะก็บอกว่าคนที่มี ทางแอบแต่งตัวเหมือนเดิมอยู่เลยหน้ากระจกแล้วก็ถอดเก็บไว้เนี่ยนะบางคนในขณะนั้น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 ก็คือต้องการแสวงหาอริยทรัพย์ต้องการเพิ่มพูนศรัทธาต้องการเพิ่มพูนศีลเป็นต้นเนี่ยนะ นะการเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต่างอะไรกันก็ตัว ตรงนี้เนี่ยถ้าเรานั่งระลึกชาติ พร้อมก็สละหมดเลยนะสละทั้งราชสมบัติสละทั้งๆก็จากสิ่งเหล่า อำนาจเหล่านี้เนี่ยร้องไห้น้ำตาไหลเนี่ยนะเคยเห็นคนยิ่ง ก็เพราะเหตุแห่งโพธิญาณคือรู้อ่ะนะว่าถ้าอยู่เนี่ยมันจะได้โพธิญาณมั้ยถ้าสละล่ะคือคือท่านท่านเกิดการไข้ ทำไมเราจากชนบทมาอยู่ในนะบาหลาย อันนั้นก็คืออะไรคือเหตุแห่งโพธิญาณแสวง บอกบทว่าเกวลังแปลว่าสิ้นเชิงอธิบายว่าเรานั้นสละตําหนัก อันถ้าหากว่ารอเป็นพระรอชาติ รักทั้งนั้นสรุปว่าเรารักมากแต่แต่ใครเค้าเรียกว่าไอ้รักนี่ก็ถูกแล้วฟังแล้วเปลื้มเลยนะจะบอกพอมีคําว่าแต่เข้ามาเนี่ยแปล เมื่อพระโพธิสัตว์ทรงสละทุกสิ่งทุกอย่างเสด็จออกบวชยุทธทิฐิละกุมารพระกนิษฐาของพระโพธิสัตว์นั้นก็ถวายบังคมพระชนกทรงขออนุญาตบวชติดตามพระโพธิสัตว์เนี่ยนะพี่ชายออกบวชน้องคนเล็ก ยังฌานและอภิญญาให้เกิดเนี่ยนะกระบวนเป็นฤาษีทําฌานอภิญญาให้เกิดเลี้ยง โกมานทั้ง 2 คือยุทยัญชยะและยุทธทิฐิละละพระมานดาพระบิดา เพราะว่าราคะโทสะโมหะเนี่ยนะเป็นเหตุร่วมกันกับมัจจุมานแล้วก็ตัดสิ่งเหล่านี้ด้วยการข่มใจข่มราคะข่มโทสะข่มโมหะ จากการศึกษาตรงนี้เห็นว่าอริยมรรคเกิดนั้นน่ะอริยมรรคที่จะเกิดขึ้นได้ก็ไม่ใช่ สรุปในเรื่องนี้ว่าพระมาดาพระ เธอปกติแล้วเป็นคู่ที่มีความรักมีการผูกพันกันมาจะเกิด ก็อย่าลืมว่าเอ่อคนที่ได้ใกล้ชิด ยังไงก็บอกโอ๊ยทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยปรารถนาตําแหน่งอะไรก็ได้แต่ไม่เอาอ่ะขอ ยุทัญชยะก็คือพระโลกานาถของเรา ผู้ที่จะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นั้นจะต้องมีมหาบริจาคคือสละจริงๆแล้วพระผู้ทิสัทนี่คือคนที่ สละแบบเค้าเรียกว่าถูกโค่นบัลลังก์เนี่ยนะอันนี้ทําใจได้เพราะมันยอมจำนนด้วยเหตุผลทั่วๆไป การสำรวมกายวาจาของพระองค์เป็นศีลบารมีเพราะว่ากายและวาจานั่นเองการบรรพชาและการบรรลุฌานเป็นเนกขัมมะบารมีก็คือเนกขัมมะคืออะไรก็คือการบวชเน้นก็ และก็เป็นเนกขัมมะบารมีปัญญาเริ่มต้นด้วยการมนสิการโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงอะไรไม่เที่ยง สิ่งที่เรามีอยู่ควรจะบริโภคให้เต็มที่เพราะอีกฉะนั้นเมาๆก็วายทั้งวายทั้งเบียร์สารพัดไหนๆก็จะตายแล้วก็ บางมื้อนี่หมดไปล้านกว่าเนี่ยนะ เพราะมีกรรมสกตาเมื่อเห็นความไม่เที่ยงแล้วน้อมไปเพื่อกรรมสกตา อย่างเช่นเกี่ยวใครเนี่ยช่วยให้เราให้ให้อย่างเดียวเอออย่าน้อยๆหน่อยอย่าให้เลยที่นี่ไปให้ที่ให้กันแล้วแล้วใคร รักษาศีลบางคนชวนศีลขาดอย่างเดียวบางคนบอกว่ารักษาศีลเนี่ยศีลเนี่ยดี มันยุคนี้สมัยนี้ก็อ้างเหตุผลจนไม่ต้อง มันคนเนี่ยนะคนที่เราเกี่ยวข้องบางคนก็มีอุปการะต่อการบําเพ็ญบุญบางคน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 รักษาศีลเนี่ยให้ทานนี่แปลว่ากล้านะคนไม่กล้าทําไม่หน้าต้องให้ทานนั่นน่ะให้ๆต้องเป็นคนกล้ากล้าที่จะตัดความ นะสมมุติถ้าเป็นท่านเอ่อยุทัญชยะเนี่ยพระเจ้ายุทัญชยะเนี่ยยังไงก็ไม่บวชเด็ดขาดเนี่ยนะก็เรียกว่าอะไรนะถูกไล่ให้ไปบวชยังไม่บวชเลยจะกล่าวถึงยายคนอ้อนวอน ท่านมีญาณขันติและอธิวาสนะขันติกตตนได้เนี่ยนะงั้นการออกไปบวชเนี่ยวัน 1 2 แค่เหลียวดูน้ําคนก็ยกเสิร์ฟน้ําให้แล้วอะไรลักษณะเนี่ยนะ มันน่ะเป็นเกินเผือกกินมันไป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 พูดอย่างอื่นได้งั้นทนทั้งถ้อยคําทนทั้งความทุกข์ความยากความลำบากอดทนตรงนี้ไม่ได้แปลว่าทนอดนะทําไมเพราะว่าท่านมีความอดทนจริงๆเพราะเยกแยะว่าอะไรเป็นนะก็อานุภาพของปัญญานะอานุภาพปัญญาอันนี้เรียกว่ายานขันติปัญญาเนี่ยเป็นเหตุให้อด ไกลเมืองขณะที่บําเพ็ญธรรมสมณะธรรมอยู่ในป่าเกิดมี เรเรานี่ทําไมมันเตือนร้อนอย่างโอ้ยเครียดมากว่าโอ๊ยนี่นะดีแล้วเนี่ยเทวดาจริงเทวดาเค้าดีใจด้วยนะดีๆ เพราะเข้าอนุโมทนาด้วยจริงๆเพราะอะไรเพราะว่า การไม่พูดผิดจากคําปฏิญญาชื่อว่าสัจจะบารมีเพราะพูดว่าจะบวชยัง อัยาบาตปลูกเวรเป็นต้นอันนั้นน่ะรีบเปลี่ยนเถอะรู้กลางวันก็เปลี่ยนกลางวันรู้กลางคืนก็เปลี่ยน อะไรไม่พ้นจากการทําอนันตริยกรรมยังไม่ 5 ยังไม่พ้นจากนิยตมิจฉาทิฐิยังไม่พ้นนะหมดพระพุทธศาสนาก็ไม่รู้หันหน้าไปนับถือ การตั้งใจสมาทานอันไม่หวั่นไหวในที่ทั้งปวงชื่อว่าอธิฐานบารมีคือตั้งใจเนี่ยตั้งใจจริง ที่เช่นรักษาศีลเนี่ยท่านก็ไม่โกรธเลยเขาจะทิ่มจะแทงใจก็ไม่หวั่นไหวเลยไอ้ความไม่หวั่นต้องไม่หวั่นไหวเกิดจากความตั้ง เมตตาบารมีความคิดของท่านก็คือทําอย่างไรนะสัตว์ทั้งหลายจะๆนะตั้งกระเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ย อประชาชนจึงจะอยู่ดีมีสุขอยู่ดีและมีความท่านปรารถนาอย่างนั้นๆพอถ้า อันนั้นและสมบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์น้อมให้สัตว์อื่นสมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์และอริยทรัพย์ความคิดเจริญเนกขัมมะเจริญปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตานี่นะมีทั้งคน นะใครที่ชอบเค้าก็ชมใครที่ชังเค้าก็แช่งเค้าก็ด่าก็ถือว่า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 มันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละก็ก็บอกว่าเดี๋ยวก็ถูกยกย่องเดี๋ยวก็ ยังไงก็เอื้อ้มไม่ถึงมันจะเยอะแยะมั้งหิ้วมาคนละเป็นตัว 100 คนเท่า อีกพักหนึ่งพักนึงโอยยาเนี่ยฉันยังไงก็ไม่หมดอีกพักนึงเดี๋ยวก็ลาบเดี๋ยวก็เสื่อมลาบเดี๋ยวก็มียศเดี๋ยว <_ S 1> ถ้าคน แต่นี้ท่านก็ไม่เปลี่ยนเนี่ยนะว่า แต่ไปคิดว่าอะไรๆอยู่นั่นน่ะนั่งบนอยู่นั่นน่ะช่วยกันแช่งทั้งด่าทั้งบ้านก็ว่าเทพเจ้าเดินได้ว่างั้นก็เป็นอย่างนั้นน่ะบางคนเนี่ยโอ้ชีวิตมันโลกธรรมได้เห็นอีก รับตั้งแต่เค้าชาวจนถึงเที่ยงก็ยังไม่หมดเนี่ยนะคนเอามาให้เต็มไปหมดอีกพักๆนะวัตตะเนี่ยนะรู้ทนกันได้ยัง ส่วนแต่ว่าเนี่ยนะแต่ว่าไอ้ออกของท่านออกแบบมีหาพวกออกด้วยนะเพราะเราอะไร บรรลุและจะให้ผู้อื่นบรรลุด้วยคําว่าบรรลุก็คือถ้าเราทําปริญญา 8 เต็มเปี่ยมสมบูรณ์ อันนั้นก็คือปฏิญาณของท่านเพราะฉะนั้นว่าท่านที่เรียกว่าเป็นเผ่าพันธุ์แห่งสรรพสัตว์เป็นญาติเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องกลัวภัยจากพระโพธิสัตว์แม้แต่นิดเดียวไม่ต้องๆเกิด พระโพธิสัตว์เพราะท่านคือญาติของสัพพสัตว์ทั้งปวงท่านคือผู้ที่รัก 22 พระองค์ตรัสเล่า เป็นที่ปรารถนาเป็นที่น่ารักของพระมานดาพระบิดา ครั้งนั้นมีดาบดโกงผู้หนึ่งเนี่ยนะเรียกดอกปลูกผักแล้วก็เก็บพวก เป็นฤาษีปลอมไม่มีสาระภายในรกเหมือนแกลบที่ไม่มีเม็ดข้าว เพราะเหตุแห่งการเลี้ยงชีวิตเพราะเหตุแห่งการเลี้ยงชีวิตก็เลยทําไงบ้างปลูกผัก คำเร่งที่เกิดจากโจรนั้นก็รับสั่งเราว่าลูกอย่าประมาทในชดินผู้มีความเพียรพ่อเอ่อขอขออภัยลูก เราก็ไปสู่ที่บํารุงของชดินนั้นก็กล่าวดังนี้ว่าดูก่อนคือหะบดีท่านสบายดีดอกหรือไปไม่ มาบอกว่า ก็คงไปเข้าไปทPI บายfunction andal phin eventually get to the campsiteordian คะวกhydradianして aveirutan happy dated teenage time online、她はantisаниз自分 служinde came in the grung. And then컴 UCS. He went out at the floor for a bit. So we have kissedları in every range of orders and치 culture. Quidd님이bankとしてyahoo 경 불� lan? kohana b heures for k meter木となぜบ сумัว Than an animeははは? visualsがicated. ogene ans circles. make the relationship 하나 at the church? dag對 text.聞くん通 позвол。vaccines。彼女の精神宿.vio cutlerian.цию.Ps criticism due to the same scene. Dev rés stiffness。ешьmon For the volt�무� the Пр Skill of the พระคุณเจ้าสบายดีหรือสักการะสัมมานะหมายความว่าสักการะการเอามายกการนับถือ สั่งคนให้ไปตัดลูกตัดหัวลูก พวกโจรก็ใจโจรที่มีใจดุร้ายเป็นมีใจไม่มีกรุณา เขาขอร้องนะขอร้องว่าท่านทั้งหลายจง 7 ขวบในฉลาดบอกว่าตอนนี้ เรเรเรานั้นเข้าไปเฝ้าพระราชาแล้วก็ทูลให้ เรเรานั้นทําลายความมืดมัวเมาแล้วก็ออกบวชเป็นบรรพชิตเนี่ย อธิบายคุณธรรมของศตท่านโสมนัสเนี่ยนะโสมนัส กุศลกรรมบท 10 ประการเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจาก ปัญญามีสัมมาทิฐิขณะเดียวกันก็ยังมีอาจาระประพฤติมรรยาท ขณะเดียวกันท่านยังเป็นคนที่มีศรัทธามีเหตุแห่งกรรมดีกรรมขาวกรรมดีกรรมชั่วขณะเดียวกันท่านก็ กล่าวคือเป็นผู้ฉลาดในอุบายยังเกตที่ควรเกิด คนมีปฏิพานกับคนแก้ตัวนี่คนละอย่าง และเช่นลุงป้าน้าอาเป็นตนหรือว่าผู้ อันละอายใจรังเกียจใจที่จะรังเกียจที่ตัวเองต้องไป ท่านฉลาดในการให้เนี่ยนะฉลาดผ้าให้ให้ดอกคือคือคําพูดที่คนฟัง นะเพราะอะไรพูดแล้วคน 2 ฝ่ายเค้าเรียกว่าปิยะ อรรถจริยาสิ่ง สมานัตตตามีตนตนเค้าเรียกว่าวางตนได้สม่ำเสมอไม่ลักษณะไม่ได้ดีเค้าเรียกว่าเป็นคนวางตัวเป็นในในการวางตัวเป็นเรียกๆดอนๆไม่ ตอนนั้นเรามีชื่อว่าโสมนัสเป็นกุรุนามว่าเรณุเนี่ยนะก็คือเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าเรณุเป็น ยกย่องคุณของอสัตบุรุษคือคือเป็นคนโกงอ่ะเนี่ยนะปลูกผลไม้มีฟักทองน่ะนะเครื่อง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 เรื่องมีอยู่ว่าครั้งนั้นมีฤาษีคนหนึ่งชื่อว่ามหารคคิตะเป็นฤาษีฤาษีนั้นก็ท่านก็เที่ยวไปยังชนบทเพื่อต้องการจะเสพหรือเสวยของเค็มของเปรี้ยวนะเพราะว่า เพราะว่าบางช่วงในร่างกายมันขาดแร่แร่อ่าธนสารอาหารทั้งหลายท่านก็จาริกมาจน อังคารด้วยอาหารอันประณีตน่ะคือเป็นฤาษีที่มีอาจาร ตั้งแต่นั้นมาดาบททั้ง 500 นั้นก็ไปฉันในพระราชนิเวศฝ่ายพระ ก็เลยลาพระราชาพระราชาก็ทําสักการะสัมมานะบูชานะๆนะก็มาถึงตอนกลางวัน ดาบบททั้งหลายก็สนทนากันว่าถ้าราชานี้ไม่มี เทพบุตรองค์หนึ่งจักจุติลงมาเกิดในพระ เพราะดาบททั้งหลายเป็นเป็นผู้ที่เออพวกท่านไปกันเถอะผมไม่ไหว <c oughs> ท่านฟังปั๊บท่านเห็นเลยนะว่าท่านไปมีอนาคตังสยามท่านรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปท่านว่าเออถ้ากลับได้เมื่อไหร่ก็กลับนะจะตามไปเมื่อ อ้างตัวว่าเป็นแหมมหาอุปถากเลยนะเป็นที่เรียกว่าเป็นอุปถากแบบชนิดใกล้ ดาบทโกหกหลอกกลวงที่โกงก็บอกว่ามหาราชหมู่หรือสีนี้ี่เป็นสุขดีหรือสีเขาสนทนากันว่าเป็นการดีเนอหากพระราชบทผู้ดํารงอยู่ในวงตระกูลของพระราชาพึงบังเกิดะแหม่ฟังคําสนทนาขึ้นอัตมาเพอได้ฟังการสนทนาก็ใคร่ครวรดูด้วยที่พจักสุกว่างนั้นโอ้ตาที่เลยนั้งหมธรรมดาตรวจดูด้วยพิพักสุว่า ก็เห็นว่าเทพบุตรผู้มีฤทธิ์มากจักจุติลงมาเกิด เดี๋ยวก็เกิดทานอะไรผิดแผกเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวคนอื่นที่ไม่รักเข้าเดี๋ยวจะวางยาซะแทงหมดเลยเหมือนกันอาตมาก็มา ตั้งแต่นั้นมาดาบดโกงนั้นก็บริโภคในราชตระกูลอาศัยอยู่ดาบดโกงมีชื่อว่าทิพจักรคุกะเรียกว่าฤาษีผู้มีตาพระ โสมนัสโกมานั้นก็เจริญไวด้วยการเลี้ยงดูเนี่ยนะรวมทรัพย์เอาไว้ขายดิบขายดีเนี่ยนะก็ของฤาษีนี่ก็ขาย ขณะที่พระโพธิสัตว์นี้มีพระชนมาอยู่ได้ 7 พันสาชายแดนของพระราชาก็กำเริบพระกุมารก็ เครือกําลังรดน้ําในที่ปลูกผักนะนะบางท่านนี่เป็นอย่างงี้จริงๆนะมีความสุกับการรดผักปลูก ก็รู้หมดอ่ะนะเห็นก็มองเหตุการณ์ทะลุปรุงหมดก็บอกว่าเครือหะบดีฝากบัวทําอะไรว่า ก็ถือตัวมานานเพราะเป็นที่เคารพยกย่องของปราชามาตั้ง 7 อายุ 7 ขวบขนาดนี้ยังอย่างนี้ เราควรจะจัดการกุมารนี้ให้พินาศเสียตอนนี้แหละในเวลาที่พระราชา ขวยมากเลยนะเพราะว่าทุบทําลายข้าวของเครื่องใช้ ฤาษีโกงพอฟังอย่างนั้นก็หายลุกถอนหายใจลุกขึ้นโอ๊ยหาย เพราะความคุ้นเคยในพระองค์แท้ๆเลยเนี่ยนะสนิทกับ เนี่ยใครที่ก็ตามที่ทําจะเป็นอย่างงี้เค้าเรียกว่าเชือดไก่ให้ลิงดูอ่ะนะนี่ พระกุมารก็กลัวตายลุกจากตักพระมารดาก็บอกว่าพวกท่านจงแล้วจะตัดหัวหมดพวกเพชรฆาต ดตมรรคโคเข้าไปเฝ้าพระราชาดังที่พระพุทธเจ้าเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าเราได้เห็นดาบดโกง <c oughs> ชนบทกำเริบขึ้นเพราะโจรอันเที่ยวอยู่ในดงพ่อ อธิบายว่าว่าเรานี้เห็นดาบสผู้ปราศจากสาระมีศีลสาระเป็นต้นไม่มีแก่นคือศีลไม่มีแก่นเพราะดาบสคนนี้ปราศจากเสื่อมจากความเป็นสมณะแม้เพียงศีลไม่มี ที่ให้ เพราะอะไรเพราะดาบทนี้ปราศจากทําเค้าคือหิริไม่ละอายใจเลยว่าตัวเองนี่เป็นนักบวชเนี่ยนะเพราะเหตุแห่งการเลี้ยงชีวิตเพราะ ก็แสดงว่าเราคิดว่าดาบทนี้เที่ยวไป สามารถให้ความสําเร็จได้ทุกอย่างที่ปรารถนาแก่ <c oughs> เพราะฉะนั้นดาบด พระคุณท่านสบายดีหรือสการสัมมานะยังเป็นไปแก่พระคุณเจ้าหรือชดินโกงนั้นก็ ใครที่ไม่มีความสงสารกรุณาอินดูเหล่านั้นเพราะมีพระราชบัญชาเป็นอย่างนี้ ก็เมื่อพระกุมารนั้นถูกเพชคราชนําไปพากสู่ว่าเราจักไม่ให้ เรามีราชเอ่อราชกิดของเรามีอยู่เค้าเหล่านั้นเป็นคนบาปและก็คบกับคนบาปพา จึงสั่งให้ฆ่าลูกเสียเล่าพระ ก็เล่าให้ฟังต่อไปว่าขอพระบิดาทรงเชื่อว่าดาบดนั้นปลูก เพราะฉะนั้นขอให้พระองค์เนี่ยโปรดพิจารณาพื้นนั่นสวนครัวนั่นแล้วเราก็เข้าไปยังมนนะศาลาให้พวกราชบุรุษ เราให้พระราชาทราบถึงความที่ดาบดนั้นเป็นดาบดโกงสมัยนั้นเค้าเรียกว่าครือสีเป็นเจ้าของ ด้วยการให้ทรงเข้าพระทัยนั้นพระราชาทราบ ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์คิดว่าเรานี้ควรจะเข้าป่าบวชดีกว่าอยู่ในสำนักของพระราชาผู้โง่เขลาเห็นปานนี้อะนั้นมีพ่อโง่ๆอย่างนี้บวชดีกว่าอยู่แล้วว่านี้ขอพระองค์ทรงอนุญาตข้าพระองค์ แล้วก็ให้พระโพธิสัตว์ยกโทษให้นะพระโพธิสัตว์ก็ยกโทษให้แล้วก็บอกว่าลูกจงครองราชสมบัติเถิดพระกุมารก็ เทวดาได้ 7 ปีที่จุติมาจากเทวดาก็คือธรรมอธิมุตตะกิริยาก็ ไม่เอาแล้วพ่อโง่เหลือเกินงั้นน่ะเดียวยุยงนิดเดียวจะฆ่าลูกทิ้งแล้วงั้นเมื่อจะสั่งสอน กินยาไม่อ่านฉลากไม่อ่านให้ดีเนี่ยอะไรจะเกิดกินยากรรมม็อกโซนกลิ่นโพลิดอนกินอันหนึ่งกรรมที่บุคคลใคร่ ย่อมเป็นผลเจริญมั้ยเพราะว่ากินยาถูกต้องกินยาถูก แต่เนี่ยถ้าเอายาทาภายนอกมารับประทาน 50 เม็ดบอกว่ากินกรัมม็อกซอล 50 เม็ดจะให้มันหลับให้ 50 เม็ดมา ก็ 7 วันเออ 3 2-3 วันน่ะนะก็ไปเห็นก็แนะนําส่งรักษาไม่ได้เจอกันนาน ทวิบัติที่เกิดจากยาก็ว่างั้นวิบัติที่เกิดจากยาบางคนเนี่ยกินยาผิดเนี่ยป่วยจนตายเนี่ย พระราชาถ้าไม่ใคร่ครวญแล้วทําลงไปก็ไม่ดีคนที่เป็นหัวหน้าคนที่เพราะ ค่าแต่พระราชาผู้เป็นใหญ่ในทิศกษัตริย์ ข้าแต่พระภูมิบาลแปลว่าพระข้าแต่พระองค์ผู้ ที่ด้วยการตั้งใจชอบย่อมไม่ตามคือคนที่มีการใคร่ครวนพิจารณาตั้งใจในธรรมที่สิ่งเป็นประโยชน์แก่ตนเป็นประโยชน์แก่เป็นประโยชน์เป็นต้นรู้แต่สิ่งการตั้งใจที่ดีทําด้วย ผู้จำแนกกรรมทั้งหลายในโลกนะคนที่ที่จำแนกมีจำแนกชั่วจำแนกชั่ว กรรมเหล่านั้นเป็นกรรมอันบัณฑิตทั้งหลายๆนะอะไร 3 ปี 5 ปี 10 ปี 20 ปีข้างหน้าเราภูมิใจมั้ย ที่เราทําอยู่ทุกวันเนี่ยนะ 10 ปีข้าง เพชรชาดเหล่านั้นก็ฉุดคราเอ่อฉุดคราฆ่าพระองค์อย่างรีบร้อนฆ่าแต่พระราชาฆ่าพระองค์ได้รับความทุกข์เผ็ด วันนี้ฆ่าพระองค์พ้นจากการฆ่าได้ด้วยความยากมีใจมุ่งการ จิตที่ตั้งไว้โดยชอบที่ตั้งไว้โดยชอบมันต้องคนมีปัญญาเข้าใคร่ครวนเสีย อ่าดูก่อนเทวีเธอช่วยยับยั้งอุรรสไว้หน่อยสิงั้นน่ะนะขอร้องว่าตัวเองขอไม่เป็นพลให้ ก็เมื่อพระโพธิสัตว์เสด็จไปมหาชนก็พากันปกติ พระราชาแบบอะไรนะปกเนี่ยก็สั่งๆอ่ะนะเค้าเรียกอ่ะไม่ใช่ธรรมดานะ เมื่อมนุษย์ทั้งหลายพากันกลับแล้วพระ ราชสมบัติอันใหญ่หลวงแก่เราเรานั้นทําลายความมืดมัวเนี่ยนะทําลายโมหะที่ปกปิดนะเค้าเรียกว่าตมังฐาลยิตวากําจัดความมืดคือโมหะที่เป็นปฏิบัติจะเร ถ้าเกิดเราโกรธใจเกลี่ยวโกรธขึ้นมาเราเพื่อรูปเสียงกลิ่นรสก็เข่นฆ่าเป็นต้นก็เห็น 16 ปี ก็เทวดาเลี้ยงดูอีกเท่าไหร่ตอนนั้นเลี้ยงดูอีก 3 เอ้ยอีก 6 ปีนะใช่เอ 16 ปีพระโพธิสัตว์พระธรรมปิณญาสมาบัติให้เกิดดํารงอยู่ตลอดชีวิตจุติๆที่ พระชนนนีก็คือพระมหามายามหารักขิตดาบดก็คือพระสารีบุตรโสมนัสคุมาร 10 อ่ะ 10 แต่ว่าในในเรื่อง ท่านเอ่อความที่พระองค์เนี่ยสามารถในราชกิจทั้งหลายขณะที่มีพระชน 7,000 ศา 7,000 ศาบริหารบ้าน ท่านไม่มีความหวั่นสะดงเมื่อพระราชาท่านไปไปถูกพระราชาจะฆ่าเนี่ยท่านความ หมายความว่าความคิดของตัวเองเสถแท้แล้วก็ยังถึงความสังเวชนะ ธนาธิปอเมริกาสังฆาอะไรเกือบทั่วโลกเนี่ยนะกลับมาเป็นโง่ๆเท่าเราเนี่ยนะนี้ดีกว่าใช่มั้ยอำนาจแบบนั้นจะไปดีอะไรเนี่ยนะก็เลยสังเวชสลดใจมากก็ จึงอยู่ท่านอายุ 7 ปีโดยกําเนิดมนุษย์แต่ปัญญาของเยอะเนี่ยนะมากกว่าเยอะเพราะฉะนั้นเค้าไม่ได้วัดกันที่ใครเกิดก่อนหรือเกิดหลังในภพนี้ <c oughs> ถ้าใครตายหลังก็ก็คลอดหลังใครตายก่อนก็เกิดก่อนเนี่ยนะก็สรุปว่าใครตอนแบบ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 ถ่มน้ำลายทิ้งโดยไม่อาลัยอาวรณ์เนี่ยนะเหมือนถ่มก้อนน้ำลายทิ้งเป็นผู้ไม่ สิ่งที่พระองค์ทําเพื่อ